พระธรรมเทศนาเรื่องความหมายที่มาและความสำคัญของพุทธชยันตีและเรื่องพุทธศาสนาปรากฏการยิ่งใหญ่ในประวัติแห่งมนุษยชาติโดยพระครูธรรมทรนคันชิตคุณวโรในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขาบูชาเรื่องในวาระครบรอบแห่งการฉลองพุทธชยันตี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 นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพธรรมานาลังอภิมิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปูงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านที่ได้มาร่วม ฟังธรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาณศีรษชพยาบาลแห่งนี้ซึ <c oughs> ่งกับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ชาวพุทธเราได้จัดฉลองเนื่องจากครบครอบเหตุการณ์สาคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ ที่จัดฉลองกันก็เพราะว่าเป็นการครอบรอบศตรวรดนะเรียกว่า26ศตวรวั26ศตรวรรษก็คือ 2,600 ปีของการแตสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรามักจะเคยได้ยินได้ฟังว่าถือว่าเป็นปีพุทธชยันตีเมื่อเป็นปีพุทธชยันตีหลายท่านก็อาจจะสงสยัยทําไมนับว่าเป็นปีพุทธชยันตี ปีนี้ปี 2,555 แต่ทำไมนับว่าเป็นพุทธชยันตี 2,600 ปีหรือ26ศตวรรษพุทธชยันตีดังนั้นในช่วงแรกก็ขออธิบายความหมายก่อนญาติโยมจะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปอย่างแรกเลยคือคำว่าพุทธชยันตีพุทธชยนัชยนตีนั้นมาจากคำว่าพุทธ ก็หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดตาหรือพระสมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองส่วนคําว่าชยันตีนั้นเป็นภาษาสนะันสกฤตมาจากคําว่าชยัชยชัยก็ภาษาไทยก็จะใช้คําว่าชัยเคยได้ยินนะแต่ว่าชัยชนะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นชัยันตีก็หมายถึงครบรอบแห่งชัยชนะของพระสมาสัมพุตเจ้า มีความหมายหนึ่งจะเป็นความหมายตามภาษาอินเดียเชียนตีนั้นจะหมายถึงวันเกิดคือ birthday หรืออั n นิเวศนารีคือวันครบครอบด้วยมีอยู่สองความหมายนะดังนั้นเมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันนะจึงหมายถึงวันครบครอบหรือวันเกิดนะหรือวันที่มีชัยชนะของพระสมาสัมพุทธเจ้านะเราจึงเรียกว่าพุทธเชียนตี ซึ่งวันที่พระสมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาชนะมารชนะกิเลสทั้งปวงชนะความทุกข์ทั้งปวงได้ก็ตรงกับวันที่พระสมาสัมพุทธเจ้าจัดสรุนั่นเองก็คือวันวิสาขบูช า, าแล่าทำไมเราจึงนับเป็น 2,600 ปีหรือ26ศตวรรษพุทธชินทีนั้นของทางประเทศไทยกับทางศรีรังกานั้นอาจจะนับต่างกันอยู่หนึ่งปี ประเทศไทยนั้นเราจะถือธรรมเนียมว่าปีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพนธ์นั้นคือพุทธศักราชที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นทางศีลังกาจะนับว่าปีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพนธ์นั้นคือปีที่เริ่มนับพศยังไม่ใช่พุทธศักราชที่หนึ่งตอนเมื่อครบรอบหนึ่งปีของการปรินิพนธ์จึงนับเป็นพุทธศักราชที่หนึ่ง นี่คือต่างกันนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูที่ทางศีลธรมกาเราก็จะพบว่าเขาจะนับหลังเราเป็น1ปีนปนะจะนับหลังเราเป็น1ปีกนะารพทธีเฉลี่ของทางนู้นจะตรงกับปีหน้านะวิสาคารชาปีหน้าแต่ของเราจะตรงกับปีนี้แล้วทำไมเป็น 2,600 ปี นื่จากเรานับวันที <the> ่พระสมณะสัพพุธเจ้าตัดสรุปการนับพรรนั้นเรานับพรรเริ่มตั้งแต่พรรษหนึ่งในปีที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าโพนิทุพานพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรุ้และทรงแสดงธรรมอยู่สีปีเพราะฉะนั้นท่านนับว่าปีที่พระสมณะสัมพุตเจ้าโพนิทุพานคือพรษที่หนึ่งเพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้ว 2,555 ปีแต่ถ้านับว่าท่านตัดสรุป ม, มากี่ปีแล้วเราก็ต้องบวกเข้าไปอีก45ปีเป็นเท่าไหร่เอ่ย 2,600 ปีนะอันนี้คือที่มานะว่าทําไมจึงนับว่าเป็น26ศตวตรรษพุทธเชียนตีณพุทธชีนตีวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมีชัยชนะ เหนือหมู่มาเหนือกิเลทั้งตัวมีความสำคัญอย่างไรเป็นมาอย่างไรวันนี้ก็คงจะขอยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแสดงธรรมให้กับญาติโยมฟังบางท่านได้เรียนพุทธประวัติอาจจะเห็นว่าพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาฝึกฝนพัฒนาตนคือบำเพ็ญทุกระกิริยาอยู่6ปีจึงได้ตัดสรุ้ ั้งที่เรามองว่าโอ้ท่านก็ฝึกฝนพัฒนาเตินบำเพ็นทุกขล严อยู่หกปีและที่ตัดสู้จริงๆก็คือในวันวิสาขาบูชาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นท่านก็สามารถตัดสู้ได้แต่โดยแท้จริงแล้วพระสมณะสัมพิทเจ้าของเรานะคือพระสมณเครดมของเรานั้นใช้เวลาฝึกฝนตนเองมากกว่านั้นเยอะใช้เวลานานแค่ไหน <c oughs> บอกนานนักไม่ท้วนเลย ถ้านับตั้งแต่ได้รับการพยากรณ์ได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นที่จริงก่อนหน้านั้นท่านก็ฝึกมาตลอดตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้ามาตลอดแต่ว่าพระโพธิสัตว์นี้มีสู่สองสองแบบด้วยกันก็คือผู้ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์ก็หมายถึงผู้ที่ตั้งใจอยากที่จะสําเร็จเป็นพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้ช่วยสรพพสัตย์เพราะฉะนั้นผู้ที่กําลังบําเพ็ญบารมีเพื่อการตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนนะบุกคนกลุ่มนี้จะยังมีคติไม่แน่นอนอาจจะไม่ได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะยังมีคติไม่แน่นอนผู้โพธศสัตย์อย่างที่สองรูปแบบที่สอง ก็คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่แหละจะเป็นผู้ที่มีคติแน่นอนว่าจะตรัสรู้เป็นพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตสําหรับพรนะสัมมาคฑมของเรานะก็ここคือพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านได้รับการพยากรณ์เมื่อ ประมาณาสีอสงไขกับอีกหนึ่งแสนกับที่แล้วเคยได้ยินไหมหน่วยนี้อสสีอ ส, อ ง, อสองไขกับอีกหนึ่งแสนกับนะยมอาจจะไม่คุ้นหูก็ลเล่าให้ฟังเป็นกระดิ่งสักนิดหนึ่งนะคำว่ากับในที่นี้หมายถึงมหากับคำว่ากับนี่มีอยู่สองอย่างอย่างแรกคำว่ากับนั้นหมายถึงหนึ่งชั่วชีวิตคน อย่างเช่นก่อนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้านะในตอนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะบรงพระชนมายุทสังขารท่านก็ได้แสดงโลกแก่พระอานนท์ว่าบุคคลหากเจริญอิทธิบาท4ได้บริบูรณ์หากแม้ปรารถนาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงหนึ่งกับกับในที่นี้ก็คือหนึ่งชั่ว ย, ยุคไขของชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์ในยุคพุทธกาลนั้น ก็ประมาณ120ปีในยุคเรานี้เท่าไหร่ละไม่ถึงแล้วเนาะในยุคเรานี้ไม่ถึงแล้วนะค่าเฉลี่ยอาจจะอยู่แค่ประมาณ 75-80 ปีนะแต่ก็ในยุคเราก็จัดว่าอยู่ในยุคที่อายุของมนุษย์น่าจะอยู่ประมาณ100ปีแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วนะอันนี้คือความหมายของกับอย่างแรกนะกับอย่างที่สองท่านเรียกว่ามหากับ มหากับนั้นนับตั้งแต่โลกถือกำเนิดไปจนกระทั่งโลกแตกทําลายนะเราจะเรียกว่ามหากรับเนะมื่อโลกแตกทําลายแล้วนะโลกก็จะถือกาเนินะดฟุบัติขึ้นมาใหม่ก็นับเป็นกับใหม่มึกรัมนี้ระยะเวลานานแค่ไหน ท่านกุปมาเอาไว้ว่าหนึ่งกับนั้นระยะเวลานับได้ไม่ท่วนท่านก็เลยใช้กุปมาณุ ป, ปมาณว่าระยะเวลาหนึ่งกับนั้นนะกู ป, ปมาเหมือนกับมีหินแท่งทึบกว้างหนึ่งโยชน์ยาวหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์หนึ่งโยชนี่แค่ไหน ห่งโยธ์ท่านนับเป็นหน่วยปัจจุบันก็ประมาณสิบหกกิโลเมตรนะกว้างยาวสูงอย่างละสิบหกกิโลเมตรเป็นหินแท่งทึบหนึ่งร้อปีเอาผ้าเนื้อดีอย่างละเอียดนะผ้ากาสีเนื้อดีอย่างละเอียดมารูปหนึ่งครั้งระยะเวลา ที่ใช้ในการนําผ้าเนื้อดีนั้นมาลูบก้อนเห็นแท่งทิพนั้นจึงกระทั่งหมดกลายเป็นพื้นเปลี่ยนโลกท่านบอกว่านั่นแหละระยะเวลาหนึ่งกับยังมากกว่านั้นอันนี้อุปมารแรกนะอันนี้คํานวณกันไม่ถูกเลยเนาะอุปมาที่สองที่ท่านอุปมาเอาไว้ท่านก็อุปมาว่าเปรียบเหมือนเมืองเมือง ห, อ น, ห, อ น, หอนึ่งกว้างยาวสูงด้านละหนโยดคือ16กกิโลเมตร ถ้าจะคิดอย่างง่ายๆโ ย, ยมกันนึกถึงกล่องกล่องใบใหญ่กว้างยาวสูงด้านละ16กิโลเมตรเอาเมล็ดพันธุผกกาดรู้จักเมล็ดพันธุผ ก, กาดไหมเล็กขนาดไหนใส่ลงไปในเมืองนั้นจนเต็ม100ปีเอาเมล็ดพันธุกกาดออก1เมล็ดรละเวลาที่ใช้ในการนำเมล็ดพันธุักกาด ออกจากเมืองนั้นจนหมดท่านบอกระยะเวลาหนึ่งกับยังมากกว่านั้นโยมจะได้เข้าใจเรื่องของหน่วยนี่คือระยะเวลาที่พระสมณะสัพพุตเจ้าเราได้ฝึกฝนตนนะอันนี้คือหน่วยกับแตนมันไม่ใช่แค่หน่วยกับมันมีตัวผูนคือสีอสงไข่บวกกับอีกหนึ่งแสนหน่วยเป็นกับนะอสงไข่มาจากคําว่าอสังขยา ไม่ใช่สังขยาที่ทานแต่ข้าเหนียวนะสังขยาในที่นี้หมายถึงการนับนะภาษาบาลีสังขยาแปลว่าการนับพอเติมอะเข้าไปทางหน้าก็แปลว่านับไม่ท่วงนะสังขยาเพราว่าอสังขยาหรือสงไขยนั้นถ้าแปลงออกมาเป็นหน่วยนะท่านก็บอกว่าคือโกรดยกกําลังยี่สิบโกรดยกกาลังยี่สิบโกรดนี่รู้จักไม่เอ่ย หน่วย10 100พ 10,000 ล้านแล้วก็โกดโกดก็คือ10ยกกําลัง1ค10ยกกําลัง7 10ล้าน10 1คูณ10ยกกําลัง7แล้วยกกําลังอีก20ก็เป็น1คูณ10ยกกําลัง140เพรา4คูณเข้าไป4คูณ10ยกกําลัง140 บวกอีกหนึ่งแสนหน่วยเป็นกับนานไหมไม่รู้นะไม่รู้จะนับกันยังไงเลยใช่ไหมถ้าใครอยากรู้ว่าหนึ่งกับนานแค่ไหนรู้สึกว่าในยศลองไปค้นในวิกิพีเดียมีคนเขาคำนวณนะเมล็ดพันธุกาดหนึ่งเมล็ดนั้นมีปริมาตรเท่าไหร่แล้วเขาก็เอามาหารนะแล้วก็จะได้เอามาเป็นจำนวนปี ค่นะอนข้างจะเยอะเลยนะค่อนข้างจะเยอะเลยนี่คือตั้งแต่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้ า, าของเราได้รับการพยากรณ์นะก็เล่าเป็นประวัตินิดหนึ่งแต่จริงๆถ้ายมไปดูในที่ท้ศการในที่ทัศการนั้นก็จะมีบอกอยู่แล้วนะว่าพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในยุค ป, ปัจจุบันนั้นได้รับการพยากรณ์ในสมัยพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสี ก็คือย้อนหลังกลับไปจากยุคนี้สีอสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับนะยุคนั้นเป็นยุคที่มีพระสมานสมพุทธเจ้าชื่อว่าวิปสัสสีพุทธเจ้าคนละกับกับของเรานะคนละกับกับของเราคราวนี้พอพูดถึงกับก็มีเกร็ดเล็กน้อยเล่าให้ยงฟังนะก่อนที่จะย้อนกลับไปถึงสมัยพระสมานสมพุทธเจ้าวิปัสสี ในแต่ละกับนะก็หมายถึงเมื่อโลกถือกาเนิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วโลกนั้นแตกทำลายในแต่ละกับนั้นก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันคือจะมีพระสมาสัพพุธเจ้ามาอุบัติคือเกิดขึ้นในแต่ละกับไม่เท่ากันนะบางกับไม่มีพระสมมาสมพพุธเจ้ามาอุบัติเลยมีแต่พระประเจพุธเจ้า บานะงกับมีพระสมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติหนึ่งพระองค์บางกับสองพระองค์บางกับสามพระองค์บางกับสี่พระองค์กับที่มีพระสมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติมากที่สุดก็คือห้าพระองค์เราเรียกว่าพัทธรกกับเคยได้ยินไหมนะเพราะฉะนั้นพัทธรกกับก็คือในยุคสมัยหรือใน ในสมัยที่โลกถือกำเนิดขึ้นมาก่อนที่โลกนั้นจะแตกทําลายไปจะมีพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ามาถือกำเนิดมาตัดสรุ้อยู่ทั้งหมด5พระองค์เราเรียกว่าพัทธักษัเพราะฉะนั้นสัตว์ที่จะเกิดในกลับนี้เป็นยังไงโชคดีมากที่สุดแล้วนะโชคดีมากที่สุดแล้วนะสัตว์ที่เกิดอยู่ในกับนี้พัทธกันี้นะโชคดีมากที่สุด แต่ต้องเกิดในยุคสมัยที่มีพระสมาสัพพุทธเจ้าหรือคําสอนยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นโอกาสจะมีมากกว่ากับอื่นๆพระธระกับนี้ก็คือกับปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นกับปัจจุบันที่โยมได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนี่คือพระธละกับยุคนี้จะมีพระสมานสัมพุทธเจ้ามาอุบัติทั้งหมดหพระองค์ด้วยกันพระสมาสัมพุทธเจ้าของปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สี่ ตองที่ห้าจะมาถือกําเนิดเมื่อไหร่ท่านบอกว่ามนุษย์ยุคนี้เนี่ยอายุจะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปจนกระทั่งอายุมนุษย์เหลือเพียงแค่สิบปีนะยุคนั้นจะถือเป็นยุคเสื่อมมากที่สุดของมนุษย์นะเรียกว่ามืดเจ็ดวันสว่างเจ็ดวันตอนมืดก็ฆ่ากันกินเองไม่มีการนับถือพ่อแม่ญาติพี่น้องใดๆทั้งสิน้นมนุษย์เปนผู้ไม่มีศีล ต่อจากนั้นมนุษย์จะเริ่มรักษาศีและอายุมนุษย์จะเริ่มยืนยาวมากขึ้นจากสิปีก็เริ่มยืนยาวมากขึ้นไปจนกระทั่งมีอายุมากที่สุดคือหนึ่งแสนปีนะยุคนั้นเป็นยุคที่มนุษย์จะมีคุณธรรมสูงมากโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ยุคนั้นคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่โรคอย่างเราในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ยุคนั้นก็คือ ความโลภความโกรธความหลงคนที่มีความโกรธนี่คือป่วยในยุคนั้นนะนับว่าเป็นคนป่วยนะคนที่มีความโลภความคิดอยากได้ของคนอื่นนี่คือคนป่วยของมนุษย์ในยุคนั้นแสดงว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงเอ่ยดีมากๆเลยนะสภาพจิตใจดีมากๆหลังจากมนุษย์อายุประมาณหนึ่งแสปีอายุของมนุษย์ก็จะลดลงอีก ลดลงนะจาก1 0 0 0 0แสงลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุมนุษย์ลดลงเหลือประมาณ80 0หมื่นปีในยุที่มนุษย์อายุ8 0 0หมื่นปีนั้นพระสมณะพระพุทธเจ้าองค์ที่หจะมาอุบัติชื่อว่าพระศรีอริยะเมตรตยนะพระศรีอริยะเมตรตรเรื่องนี้ถ้าโยมท่านใดสนใจโยมสามารถไปหาอ่านได้นะในพระไตรปิฎก ในพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคัญยสูตรนะอคัญยสูตรนะอันนี้ถ้าโยมท่าในใดสนใจนะอันนี้โยมจะได้ทราบว่ากับของเรานี้ถือว่าเป็นกับที่โชคดีมากจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติทั้งหมดห้าพระองค์ด้วยกันนะเอาย้อนมาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นะเมื่อสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับที่แล้ว นะท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะซึ่งครอบครัวมีฐานะร่ำรวยมากต่อมาท่านเห็นความจริงของชีวิตนะนี่ตั้งแต่สีอสงไขยกับหนึ่งแสนกับที่แล้วนะเห็นว่าโลกนี้มีความไม่แน่นอนสรพสัตเต็มไปได้วยความทุกข์นายดยศชื่อเสียงเงินทองนั้นไม่ได้ช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ได้ท่านจึงสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วก็ออกบทเป็นดาวบท ออกบทเป็นดาบทก็เลยมีชื่อว่าสุเมศดาบทนะตอนที่ท่านกําเนิดนั้นท่านชื่อว่าสุเมศนะเมื่อออกบทเป็นดาบทก็เลยชื่อว่าสุเมศดาบทหรือรดาบทสุเมศนั่นเองไปบาเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรลุถึงชาสมาบัติสามารถที่จะสแสดงฤทธิ์ได้ท่านก็ปีกวิเวกไปพนนักอยู่ในป่าหิมพานนั้นๆก็จะเหาเข้ามาในตัวเมืองทีหนึ่ง เพาะมาเพื่อลิ้มรสของเปรี้ยวของเข็มอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ท่านเข้ามาในตัวเมืองได้พบว่าชาวเมืองนั้นกําลังปัดกวาดแผ่ทางหนทางสุมเมตตาก็แปลกใจว่าชาวเมืองกําลังทําอะไรหนอก็เลยเหาะลงไปถามชาวเมืองว่ากําลังทําอะไรกันอยู่ชาวเมืองก็เลยเล่าให้ฟังว่ากําลังปรับจัดแผวทางหนทางเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า สุมเมตบทพอได้ยินคำว่าพุท ธ, ธเท่านั้นจิตของท่านเกิดความปิติอย่างมากเกิดความเพื่อมปิติอย่างมากนะเพียงแค่ได้ยินคำว่าพุท ธ, ธเท่านั้นทําให้ท่านมีแรงบันดาลใจยอยากจะทําอะไรเพื่อพระพุทธเจ้าสุมเมตาบทนั้นเนื่องจากเป็นผู้มีฤทธิ์ท่านก็มาไข้ควรว่าหากเราจะในระมิตให้พื้นที่ทั้งหมดนั้นราบเรียบเสมอการสามารถทําได้ทันที แต่ทาเช่นนั้นแล้วนะจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่ไม่สมควรก็เพราะว่าไม่ได้ลงแรงไม่ได้ใช้ความเพียรของตนเองในการทาท่านจึงไม่ใช้วิบเวยนบันดาลแต่กลับใช้มือทั้งสองลงมือช่วยปรับจัดแพรวทางถมที่ถมถนนให้เรียบเพื่อต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสนะิการทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างความเพียร แล้วก็ได้บุญมากกว่าได้บุญมากกว่าเพราะว่าลงลงมือทำลงแรงด้วยตัวของท่านเองเค้านี้เมื่อท่านจะกลับทอดทางหัวทางอยู่นั้นปรากฏว่าพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าวิปัสสีพุทธเจ้าเอาเขาไปไม่ใช่วิปัสสีที่ปังกรขอภัยด้วยที่ปังกรนะขอภไปนะพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าที่ปังกรนะเสด็จมาพอดี พระสมาสัพพะเจ้าที่ปวงกันเสด็จมาก็ปรากฏว่าชาวเมืองก็เลยวิ่งไปต้อนรับพระสมาสัพพธเจ้าสมัยตาบทนั้นยังไม่ลัก็ยังลงมือแพร่าทางหนทางอยู่นะยังลงมือแพร่าทางหนทางอยู่เมื่อพระสมานสัพพะเจ้าที่ปังกรนั้นเสด็จมาถึงนะสมัยตาบทเห็นดังนั้นก็พบว่า ถ้าตนเองปรารถนาที่จะบรรลุอรหันต์ก็สามารถทําได้ในชาตินั้นเลยแต่โปรดอะไเล่าที่จะบรรลุอรหันต์และพ้นทุกผู้เดียวท่านจึงตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ปังกอนในขณะที่พระสมมาสัพพุทธเจ้าเสด็จเดินผ่านมานั้นปรากฏว่ามีหลุมโคลนอยู่หลุมหนึ่งที่ยังไม่ได้กรบโซเมดาบท ก็เลยใช้ร่างกายของท่านเลยแหละกลบหลุมโครนนั้นนะนอนภาดหลุมโคนนั้นแล้วก็ตั้งจิตให้พระสมานสัพพเจ้าและพระสาวกเสด็จผ่านร่างกายของท่านโดยหยิบเป็นร่างกายของท่านท่านจะได้ไม่ต้องลำบากนะพระสมานสัพพธเจ้าที่บางกรในยุคนั้นท่านเห็นดาบทธรรมเช่นนั้น ก็เลยกำเนดวาระจริตของดาบทพบว่าสุมเม็ดดาบทนั้นตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาที่จะเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยแผ่ขายพออยานตรวจดูเหตุปัจจัยว่าสุมเม็ดาบนี้จะได้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่และท่านก็บพบว่าในอีกสีอสงไขัยกับหนึ่งแสนกับข้างหน้าดาบทผู้นี้จะได้สําเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสมณโคดม ดังนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านตัวสุเมธดดาบทไปจึงบอกกับชาวเมืองว่าท่านทัน้งหลายจงดูดาบทผู้นี้ดาบทผู้นี้ต่อไปในภายภาคหน้าอีกสี่สงไขยกับหนึ่งแสนกับจะได้แต่สรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวเมืองก็ดีใจเพราะว่า ถ้าหากในสมัยนี้เรายังไม่สามารถบรรลุธรรมหมดสิ้จนจากความทุกข์ได้ก็จะได้สุมเมตดาบทนั่นแหละเป็นที่พึ่งก็เลยเดินทำปทักษสิงรอบสุมเมตดาบทส่วนุมเมตดาบทนั้นแม้ว่าทราบว่าตนเองจะได้สาเร็จเป็นพระสมมาสัพพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้าแต่ท่านก็ไม่ได้ตกอยู่ในความประมาทท่านกลับลุกขึ้นมานั่งสมาธิเข้าชานสมาบัติ ออกจากฌานแล้วก็ใคร่ควรเหตุปัจจัยว่าด้วยเหตุปัจจัยอะไรหนอที่จะทําให้พระองค์นั้นได้ตัดสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระสมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยอะไรหนอท่านก็ได้พบว่าพระสมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นได้บําเพ็ญบา ร, รมีที่ชื่อว่าบา ร, รมีสนะิบําเพ็ญอยู่ทั้งหมด3ระดับทั้ง3าระดับจนครบถ้วน สุเมตตาบทก็เลยตั้งใจนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาในการที่จะบำเพ็ญบารมีเรียกว่าเป็นการฝึกพัฒนาชีวิตจิตใจและปัญญาของท่านให้พร้อมสมบูรณ์ในการที่จะตัดสืบเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดังนั้นจะเห็นว่านับตั้งแต่ที่สุเมตตาบทได้รับการพยากรณ์ท่านไม่เคยลับจากการประพฤติสิ่งที่ดีงามหรือประพฤติกุศลเลยนับตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งมาถึงยุคของพระสมาสัมพุทธเจ้าของเรานะที่ท่านได้ประสูติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะในขณะที่เป็นประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าพระสมณะสัมพุทธเจ้าชื่อว่ายังเป็นพระโพธิสัตย์อยู่นะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นยังไม่ใช่อริยบุคนนะยังไม่ใช่อริยบุคลขั้นโสดาบานันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหรัน พระโพธิสัตว์นั้นยังเป็นปุถุชนอยู่อันนี้ยังต้องแยกให้ออกนะแต่เป็นปุถุชนผู้บำเพ็ญบารมีหรือกำลังบำเพ็ญบารมีอยู่ท่านจึงยังไม่เห็นความจริงของชีวิตยังไม่เห็นหนทางที่จะทำให้ท่านพ้นจากความทุกข์แต่ต้องเรียกว่าเป็นปุถุชนที่มีความสามารถมากมีบารมีมากเจ้าชายสิทัศนนั้นมาบลุกความสาเร็จ ได้รู้ถึงขนทางที่จะทำให้ท่านพ้นจากความทุกข์ก็ในวันวิสาขบูชานะก็คือเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วนั่นเองที่เรานับว่าเป็นพุทธชินตีการที่ท่านได้พบขนทางหรือพ้นจากความทุกข์นีนะ้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและก็ถือว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่อาจจะเรียกไดว่าเป็นวันที่มนุษ ได้เข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงและสามารถนำเหตุปัจจัยในธรรมชาติมาใช้ในการฝึกในการพัฒนาจนกระทั่งทำให้ท่านพ้นจากความทุกข์ได้อย่างที่เราเรียกว่าได้ตรัสรุนั่นเองดังนั้นถ้าจะนับอย่างแท้จริงเราต้องเรียกว่าพระสมาสัพพะเจ้าได้กูบัติหรือเกิดขึ้นในโลกในวัน วิสาข บ, บูชานะอันนี้ท่าเริ่มคำพูดนิดหนึ่งนะแต่พระโพธิสัตว์สิท ธ, ธัตถะถือกำเนิดในวันวิสาข บ, บูชาที่ลุงพินีแต่พระสมานสุภวิเจ้าอุปัติหรือเกิดขึ้นในโลกคือที่ไหนเอ่ยที่อุรุเวลาเสนานิคมใต้ต้นพระศรีมหาโพลริมฝั่งแม่น้ำเนลัญชล า, าที่ปัจจุบันเราเรียกว่า ที่ปัจจุบันเรียกว่าคยาศีใสนะหรือว่าพุทธคยานั่นเองนะนั่นแหละจึงเป็นวันที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือกำเนิดขึ้นในโลกอย่างแท้จริงก็คือวันที่ท่านได้ตัดสรุนั่นเองครานี้นี่คือเหตุการณ์หรือเป็นประวัติสิ่งที่สำคัญก็คือพระพุทธเจ้าตัดสรุ่เรื่องอะไรและทาไมจึงมีความสาคัญ พระพุทธเจ้าท่านจัดแสดงเอาไว้ว่าสิ่งที่ท่านจัดสรู้นั้นคือตัดสรู้เรื่องอริยสัจ ส, สี่อริยสัจ ส, สคืออะไรก็ได้แก่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรอันนี้ยงมท่องกันได้ทุกคนแต่ถามลงไปให้ลึกมากกว่านั้นทุกคืออะไรทุกนั้นก็ได้แก่ภาวะต่างๆที่เรายึด ถ, ถือมั่นนั่นเอง ที่เราพบเพลินยินดีภาวะใดก็ตามที่โยมยึดติดถือมั่นพบเพลินยินดีภาวะนั้นเป็นทุกขังสิน้นโะยมลองสังเกตดูพอเราเกิดมาเนี่ยเราติดวัตหนี่คือกายของเราใช่ไหมกายของเรานี้จึงเป็นทุกข์ทุกในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกทุกเนะทุกในที่นี้หมายถึงภาวะที่เป็นทุกข์และภาวะ ท, ท, ที่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วย มีสองความหมายนะหมายถึงภาวะที่เป็นทุกข์ภาวะที่เป็นทุกคือภาวะที่อิดอัดดิบคั้นทนไม่ได้รวมไปถึงภาวะที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็ได้แก่สิ่งต่างๆที่เราเข้าไปยึดติดถือมัน่นมี่คือความหมายของทุกข์ในอริยสัจเวลาที่ท่านกล่าวจาแนกออกไปท่านก็บอกว่าพอคนเราเกิดมาเนี่ยจะติดอยู่อย่างแรกเลย ติดอยู่กับครูปธรรมและนามธรรมนี้ก็คือร่างกายและจิตใจของตัวเองคิดว่าเป็นของฉันอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เป็นไหมตอนเกิดออกมาร่างกายนี้ก็ต้องกระทบนะคลุกออกมาเมื่อเกิดออกมาก็กระทบกับความร้อนความหนาวหยุดยุงดินไหลเดี่ยท่านรูดความเกิดเป็นทุกข์ เกิดขึ้นมาแล้วต้องทุกในการสแสวงหาสิ่งต่างๆในการยังชีพต้องพบกับปัญหาประสักดแล้วก็ต้องพบกับความแก่ต้องพบกับความตายท่านเพงบอกว่าเนี่ยเป็นทุกนอกจากนั้นสิ่งที่โยมต้องพบแน่ๆคืออะไรพบกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจเจอไหมวันนี้เจอหรื อ, อยังเจออยู่ตลอดใช่ไหมนั่นแหละคือทุก์ พ้องแพ้พาจะาสิ่งที่ชอบที่พอใจอยากได้หรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังหวังก็รู้สึกทึกาติดิดขันเป็นทุกข์ดังนั้นโดยสรุปพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าองค์ประกอบของชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่เราเข้าไปยึดติดถือมัน่นภาษาธรรมะเรียกว่าอุปท า, านขันนั่นแหละคือตัวทุกข์ ดังนั้นจะเห็นว่ายมเห็นภาพที่ไม่ชอบพลาดพาพจากภาพที่ชอบอยากเห็นภาพภาพหนึ่งแต่ไม่เห็นทุกเสียงที่เข้ามากลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกเราก็ติดอยู่ตลอดสิ่งเหล่านี้แหละคือทุกในอริยสัจเพราะว่าเราเข้าไปยึดติดถึงมันไม่อยากภาดถ้ามันทําให้เราเปิดความสุขอยากให้มันหายไปถ้ามันกําลังบีบคั้นเราอยู่ ในใจเรามักจะปรุงในแง่ของเข้าไปยึดอยู่อย่างนี้อยู่เสมออา้าวอันนี้จริงหรือไม่จริงโยมลองสังเกตตัวโยมเองนะเพราะฉะนั้นในยามแรกนะในยามแรกพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงพิจารณาในวันวิสาขบูชาท่านพิจารณาท่านเห็นและทุกข์คืออาการอย่างนี้แล้วอะไรเล่าเป็นสาเหตุของความทุกข์ ในวั น, นีิสาขาบูชายามแรกปรถมยามท่านจึงได้พบสาเหตุสาเหตุของความทุกข์คืออะไรสาเหตุของความทุกข์นั้นก็ได้แก่ปัญหานั่นเองคราวนี้เมื่อพูดถึงปัญหาโยมมักจะมองออกไปไกลมากเกินไปว่าโอ๊้เรานั่งอยู่ธรรมดายอย่างนี้ไม่น่ามีตัญหาปัญหาคืออาการยอย่างไงโยมลองสังเกตกันแล้วกัน เพราะอากาศร้อนหุดหิวไหมอยากเย็นไหมนั่นแหละตัญหาละ่ะอยากให้ความคิดอยากให้สภาพใดๆเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออยากได้เพลิดเพลินยินตรีอยากเสพในภาวะใดภาวะหนึ่งนั่นเป็นตัญหาทั้งสิ้นเช่นอยากเห็นรูปสวยๆเห็นภาพที่พึงพอใจเห็นคนที่พึงพอใจนี่ก็ตัญหาเพลินอยู่กับสิ่งที่เห็นชื่นชมอยู่กับสิ่งที่เห็นนั่นก็ตัญหา อยากได้ยินเสียงกรึ่งหรือได้กรึ่งริ้นรดได้สัมผัสที่น่าพึงพอใจนั่นก็นตันหาเป็นไมเ่เอ่ยพอหิวขึ้นมาแล้วอยากกินของอร่อยนั่นแหละอาการอย่างหนึ่งของตันหาล่ะอยากฟังเพลงอยากฟังเสียงเพราะเพราะนั่นอาการอย่างหนึ่งของตันหาอยากได้สัมผัสที่เย็นอยากได้สัมผัสที่อ่อนนุ่มนั่นก็นละคือตันหา ภาษาธรรมะเรียกอาการอย่างนี้ว่ากามตัญหานะเพราะฉะนั้นมีมากหรือมีน้อยสังเกตเองนะและโยมสังเกตเถิดพอเราอยากเห็นอยากได้กินอยากดมกลิ่นอยากเิ่มรถอยากสัมผัสไอสิ่งที่เราชอบถ้าเกิดเรากำลังได้อยู่แล้วมีคนทำให้สิ่งนั้นมันเสียไปเกิดอะไรขึ้นเกิดทุกข์ใช่ไหมใช่ เราอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นดั่งใจของเราพอเขาไม่ทาอยากดั่งใจของเราเป็นยังไงทุกไ้ยทุกนี่แหละตัวตัญหาละ่ะอย่างที่สองนะก็คืออาการที่เราอยากให้ภาวะใดภาวะหนึ่งอยู่กับเราหรืออยากได้ภาวะใดภาวะหนึ่งภาษาธรรมะเราเรียกว่าภาวะตัญหา เรียกว่าภาวะตัญหายกตัวอย่างอย่างแน่ในแง่ของทางโลกเช่นอยากที่จะได้ตําแหน่งอยากที่จะเป็นหัวหน้านี่คือติดชื่นชมอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งอยากเกิดเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นพระพรหมเนี่ยพวกนี้เป็นอาการที่เขาไปจับติดอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งเรียกว่าภาวะตัญหา ถ้าไม่ได้หรือมีคนทําให้เราไม่ได้ภาวะเช่นนั้นเป็นยังไงเอ่ยบีบคั้นเป็นทุกขันทีประการที่สามท่านเรียกว่าวิภาวะตัณหาคืออยากพ้นอยากพลาดจากภาวะที่ตนเองไม่พึงพอใจถ้าพ้นหรือพลาดไม่ได้เป็นยังไงทุกข์ท่านจึงบอกว่าตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ภาวะภายนอก เพื่อให้อุปมานี้ชัดเจนมากขึ้นอาตมาจะขอยกตัวอย่างว่าอะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนหรือไม่พระโยมท่านใดเคยฟังธรรมของอาตมาคงเคยได้ทำปัญหานี้หลายครั้งแล้วนะก็ขอยกมาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันสมมติว่าโยมอยากได้รถสักคันหนึ่งโยมอยากได้รถสักคันหนึ่งยี่ห้ออะไรก็ได้นะโยมนึกเอาเอง โยอมอยากไ้รถคันนึงชอบมากรถคันนี้ถูกใจมากกับรถคันนี้ต่อมาโยมเห็นรถคันที่โยมชอบทุกประการนั้นแต่ไม่ใช่ของโยมและโยมก็ไม่รู้จับ ก, กับเจ้าของรถด้วยขับมาจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลปรากฏว่ามีรถบรรทุกวิ่งมาจากไหนไม่ทราบด้วยความเร็วหักหลบรถคันข้างหน้าเสียหลัก พุ่งชนรถคันนั้นตู้มไฟลุกท่วมโยมเห็นอุบัฏิเหตุรถคันนั้นถูกไฟลุกท่วมรู้สึกยังไงทุกไหมไม่ใช่รถของโยมโยมไม่รู้จักเจ้าของรถแต่เป็นรถแบบที่โยมชอบทุกมากหรือทุกน้อยยังไปทํางานได้ไหมไปดูหนังอย่างสนุกไหมสนุกใช่ไหมคราวนี้กรณีที่สอง ถ้ารถคันนั้นเป็นรถของคนที่โหยงเกลียดมากๆอันนี้คู่อาคาดเลยซื้อรถไปก่อนเราเขาขับมาจอดเสร็จปุ๊บโดนรถเป็นทุกพุ่งชนคันนี้รู้สึกยังไงนะอ้าวสังเกตดูเองนะขอให้สังเกตดูที่ใจของเราเองนะ กรณีที่สามถ้ารถคันนั้นเป็นรถที่โยมเก็บหอมรอมริบมาตั้งห้าปีกว่าจะเก็บเงินดาวรถได้ซื้อรถคันนี้มาได้ออกมาไม่ถึงสี่วันโยมขับมาจอดเสร็จปุ๊บเดินลงไปไม่ถึงยี่สบเก้าเิดเหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นคันนี้โยมรู้สึกยังไงไปกินข้าวอร่อยไหมคืนนั้นนอนหลับหรือเปล่า คำถามที่อาตามาอยากจะถามโยมก็คือว่าตกลงแล้วรถทำให้โยมทุกข์ใช่หรือไม่ถ้ารถชนทำให้โยมทุกข์ทั้งสามกรณีโยมต้องทุกข์สิแต่ทำไมกรณีแรกแค่เสียดายหรือทุกนิดหน่อยกรณีที่สองกลับสะใจดีใจยิ่งโกรธมากเกิดมา ก, ก, มากยิ่งดีใจมากสะใจมากกรณีที่สามนั้นกลับเป็นยังไงเอ่ย เศร้าโศกปวดแค้นเป็นทุกข์อะไรที่ทําให้โยมรู้สึกแตกตา่างทั้งๆที่รถถูกชนเหมือนกันสังเกตได้ไหมกรณีที่หนึ่งโยมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความรู้สึกยึดติดมีความรู้สึกเพิกเฉยยินดีกับมันน้อยเพราะมันไม่ใช่ของเรา เวลามันถูกชนหรือแตป่วยไปมันจริงทุกน้อยยังมากกว่าแค่เสียดายส่วนกรณีที่สองล่ะยึดติดไหมบางคนบอกไม่ยึดติดไม่ใช่หรอกยึดติดมากแต่ยึดถึดในทางตะวันข้ามเพราะเราอยากให้มันเสียไปอยากให้มันหายไปไม่อยากให้มันอยู่อย่า ง, ง น, นั้นนั่นแหละยึดติดล่ะ เป็นอาการที่อยากพ้นอยากพลาดจากสกภาพที่ไม่ชอบเพราะเกลียดไอ้เจ้าของรถใช่ไหรือไม่พอพังได้เป็นยังไงมีความสุขกรณีที่สามละ่ะยึดติดมากเช่นเดียวกันแต่ยึดติดในทางดึงเข้ามาหาตัวใช่หรือไม่เมื่ออาการอย่างเนีน้ภาษาธรรมะเรียกว่าปัญหาเข้าใจหรื อ, อยัง เพราะฉะนั้นมีมากหรือมีน้อยนะสังเกตตัวของโยมเองนะดังนั้นรถไม่ได้ทำให้โยมทุกข์หรอกสาเหตุที่ทำให้โยมทุกข์คือตัวตัณหาอาการเพ้อเพลิงยึดติดถือมั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้อย่างที่เราอยากอย่างที่เราชื่นชมอย่างที่เราปรารถนามันก็เกิดอาการบีบคั้นและเป็นทุกข์ ในทางธรรมะรถคืออะไรรู้ไหมรถก็คือทุกภาวะที่โยมกําลังรับรู้อยู่นะรถที่ถูกชนก็ได้แก่ภาพที่โยมมองเห็นนั่นแหละคือรถที่ถูกชนเสียงที่โยมได้ยินนั่นแหละรถที่ถูกชนกลิ่นรถสัมผัสที่โยมรับรู้นั่นแหละรถที่ถูกชนความรู้สึกสุขทุกเฉยๆที่เกิดขึ้นที่โยมมักจะติดกับมันสุขก็วิ่งเข้าจับทุกก็พยายามผลัก เฉยๆก็ยึดติดเป็นตัวตนนั่นแหละรถของโยมความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดการปรุงแต่งและเราติดอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่งนั่นแหละและที่ถูกชนภาวะรับย์รู้ที่กําลังเกิดดับอยู่ตลอดนั่นแหละรถที่ถูกชนอาการที่โยมหมายไว้จําเอาไว้ในสิ่งต่างๆนั่นแหละและที่ถูกชนเวลาพระพุทธเจ้าท่านจรัสท่านก็จะเรียกเป็นสวดเป็นคําสั้นๆ ภาวะที่เราได้รู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายรวมถึงตาหูจมูกลิ้นกายท่านจะรวมเรียกว่ารูปประคันความรู้สึกสึกทุกเฉยเรียกว่าเวทนาอาการนึกคิดปรุงแต่งจิตเรียกว่าสังขารอาการหมายรู้เรียกว่าสัญญาและภาวะรับรู้เรียกว่าวิญญาณ รวมเป็นขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้ง5้าที่เรายึดติดถือมั่นท่านจึงเรียกว่าอุปตาทานขันธ์ห้าเห็นไหมสาเหตุของความทุกข์อยู่ที่ไหนเผู้สอนอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษภายนอกมันอยู่ในใจของเราที่วิ่งเข้าไปจับเข้าไปยึดเข้าไปเพ้อเพลินอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นี่แหละคืออาการที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พระสมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นละนี่คือในยามที่หนึ่งในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสเสรุเห็นนักภาวะเกิดขึ้นทุกคนจะวิ่งเข้าไปจับพอจับทุกภาวะนั้นแปลเปลี่ยนทุก ท, ทันทีไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมาก็ตามในวันวิสาขบาูชานั้นท่านก็ได้บำเพ็ญต่อในยามที่สองในยามที่สองท่านจึงพบ นะอย่างที่สองนี้เห็นการจุติของสัตว์ต่างๆและได้พบเหตุปัจจัยที่ทำให้สัตว์นั้นไปถือกำเนิดว่าถ้าตราบใดยังไม่สามารถลักปัญหานี้ได้ยังต้องกลับมาวนเวียนอยู่ในสังสารวัตนี้และยังต้องประส บ, บความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแน่ๆท่านจึงพบพิธีการไงท่านจึงพบว่าถ้าขจัดเสียซึ่งเหตุแห่งทุกข์ คือละปัญหานี้ได้หมดสิ้นความทุกข์ทั้งปวงจะหมดไปภาวะเช่นนี้เป็นอย่างไรขออุปมาง่ายๆเอาอุปมาเรื่องรถนี่แหละสมมติโยมมีรถอยู่คันหนึ่งต่อมามีคนมาขอซื้อรถคันนั้นของโยมโยมบอกว่าอารถคันนี้ซื้อมาใช้นานแล้วมีคนมาขอซื้อและได้ราคาดีด้วย โยมก็เลยตกลงใจที่จะขายรถคันนั้นเอาละขายและกันรถคันนี้พอเ้าวางเงินให้ปุ๊บเราเซ็นโอนปุ๊บกรรมสิทธิ์เราบอกว่ากรรมสิทธิ์จะเป็นของเขา ล, ละเรารับเงินมาเรียบร้อยแล้วไอ้รถคันเดียวกันเนี่แหละสมมติว่าคนที่ซื้อใหม่ขับออกไปเพราะขับออกไปลงถนนเท่านั้นน่ะปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์จากที่ไหนมนุกวิ่งมาด้วยความเร็วชนตุ้มคันนี้โยมทุกข์ไหม ทำไมไม่ทุกขล่ะรถยังมีอยู่ไหมรถยังมีอยู่หรือเปล่ารถยังมีอยู่แต่มีรถของฉันไหมไม่มีทำไมไม่มีรถของฉันล่ะไม่ใช่เพราะเราขายไปแล้วหรอกเพราะใจของเราวางและไม่ยึดติดไม่เ พ, พื่อความยิดีกับรถแท น, นั้นแล้วเพราะฉะนั้น ตอนให้รถคันนั้นถูกชนวิ่งได้ดีหรือเปลเปลี่ยนไปอย่างไรใจเรากลับไม่ทุกข์อีกเลยใช่หรือไม่ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าหากกำจัดได้ซึ่งตัวตัญหาคืออาการเพลิงพลิินดียึ ต, ติดในภาะวะต่างๆที่เรากลังรับรู้นี้ได้โยนจะไม่ทุกข์อีกเลยเปรียบเหมือนเราขายรถนั้นทิ้งไปแล้ว ในที่นี้ก็คือร อ, อปธรรมและนามธรรมนี้เราได้วางได้แล้วไม่ติดไม่ยึดไม่คาดหวังอีกแล้วเห็นมันตามธรรมดาธรรมชาติที่มันเป็นท่านจึงบอกว่าโอ้นี่แหละการพ้นจากความทุกข์ทำได้ด้วยด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้นี่เองคือกำจัดเสียซึ่งสมุทไทยลับปัญหาสำหรับซึ่งตัญหาอุปาทานออกเสียได้นี่แหละจะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ แต่ทุกวันนี้เราพนัพนนตันหาหรือพยายามลดตันหาละตันหานั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมยิ่งอยู่เรากับยิ่งทุกข์มากขึ้นมากขึ้นเพราะปฏิบัติผิดไงเพราะฉะนั้นในยามที่สองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงค้นพบว่าเมื่อไรก็ตามกำจัดละเหตุปัจจัยคือตัวตันหานี้ได้ย่อมพบกับ ความพ้นทุกได้ในยามที่สาของวันที่ตัดสรุ้ท่านจึงค้นพบผลทางหรือวิธีการผลทางหรือวิธีการคืออะไร 1. ต้องกำหนดรู้ทุกภาวะตามความเป็นจริงว่าเป็นแค่ภาวะชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วดับไปตั้งอยู่ก็แปรเปลี่ยนภาวะต่างๆที่กำลังปรากฏในทุกขณะนั้นไม่ใช่ของเราหรอก มันแค่ภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองภาษาธรรมะเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองเราพึงคิดในทางที่ถูกไม่ว่าภาวะใดปรากฏขึ้นมาไม่นึกไปในทางวิ่งจับด้วยความชอบแต่มองมาตามสภาพไม่นึกไปในทางหรือคิดไปในทางผลักด้วยความชัง ไม่คิดไปในทางเบียดเบียนสิ่งต่างๆนันทุกภาวะที่กำเนิดที่ปรากฏขึ้นในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเพียงกำหนดรู้ตามสภาพที่มันเป็นไม่วิ่งเข้าจับไม่วิ่งเข้าปรักเห็นแค่อาการของมันที่เกิดขึ้นเปลี่ยนสภาพดับไปไม่ใช่ตัวตนเท่านั้นการเมื่อคิดอย่างนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าสัมมาสังกัปปะท้าทีที่พีงมีต่สิ่งต่างๆ พึงมีท่าทีในทางที่เกื้อกูลดีงามไม่วิ่งเข้าจับยึดแต่ปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้คือใจไม่วิ่งเข้าไปจับยึดใช้ปัญญาทําด้วยเห ต, ตุด้วยปัจจัยเจตนาที่จะสื่อสารออกไปในทางที่เกื้อกูลไม่วิ่งเข้าจับแต่ปล่อยวางออกมาเรียกว่าสัมมาวาจาการกระทําที่ไม่วิ่งเข้าไปจับยึดไม่เข้าไปเดยดเบียนแต่ปล่อยวางออกมาแล้วก็ them, กเป็นการกระทําที่เกื้อกูลเรียกว่าสัมมากัมมันตะ การได้มาซึ่งสิ่งต่างๆในทางที่เ ก, ก้าลไม่ติดยึดกับสิ่งที่ได้มานะเรียกว่าสัมมาอาชิวะการมีความเพียรในการละปัญหาป้องการปัญหาไม่ให้เกิดมีความเพียรในการพัฒนามรรคทั้งหมดให้พร้อมบริบูนรักษามรรคทิพย์หมดที่พร้อมบริบู์นั้นไว้หรือกุศลธรรมนั้นไว้เรียกว่าสัมมาวายามร การที่เรามีสติคอยระลึกไว้อยู่เสมอถึงภาวะสิ่งต่างๆเป็นของชื่วคราวเป็นแค่องค์ประกอบเข้ามาประกอบกันเท่านั้นมีแค่องค์ประกอบของรูปธรรมไม่นานมรรมที่เกิดดับอยู่ตลอดแค่นั้นเท่านั้นเองเรียกว่าสัมมาสติจิตที่สงบตั้งมั่นไม่หวัน่นไหวไปกับภาวะต่างๆที่แปรเปลี่ยนก็ปล่อยวางออกมาได้นั่นแหละเป็นสัมมาสมาธิท่านบอกวิธีนี้เท่านั้นจึงจะทําให้พ้นจากความทุกข์ และท่านก็ได้ทดลองลองทำด้วยตัวของท่านเองจนกระทั่งในปลายามที่สท่านจึงประสบความสำเร็จพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เรียกว่าเอาชนะกิเลสทั้งปวงในจิตใจของท่านได้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะเราได้มารวมกันในที่นี้ก็ปรารบวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ชนะพยามาร แต่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือชนะกิเลสในใจของท่านสามารถกาจัดกิเลสในใจของท่านได้หมดสิน้นทำให้จิตใจของท่านเป็นกิสระและผ่องใสไม่ประสบทุกข์อีกเลยนี่แหละคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่เมื่อเราได้ปรารบเรามาลื้ม่ถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้แล้วก็ขอให้โยมน้อมนาเอาชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้เข้ามาสู่ใจของเราด้วยการมันฝึก มันพิจารณาถึงภาวะต่างๆที่ปรากฏขึ้นในชีวิตของเราอยู่เสมอฝึกในการรับรู้เพื่อลักตันหาไม่ใช่เพิ่มพูนตันหาค้อนี้จะลักได้อย่างไรยอมฟังอย่างนี้ก็อาจจะเห็นว่าโอ้ยมันยากจังเลยนะเพราะฉะนั้นยังไม่เอาชัยชนะสูงสุดถึงหมดกิเลสก็ได้เอาชัยชนะขั้นต้ น, ตน ขั้นกลางๆแล้วก็ขั้นสูงค่อยๆฝึกไปแล้วแต่กําลังสติปัญญาของโยมแต่ว่าต้องเอาชนะมันให้ได้นะเอาเอาเริ่มจากชัยชนะอย่างง่ายๆก่อนสําหรับคารื้นหันชัยชนะอย่างง่ายๆนะผู้ทีชยันตีนี่นึกถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาเป็นแบบอย่างเลยชัยชนะขั้นต้นอย่างง่ายๆก็คือชนะความเจ้าหนีที่เหนียวชนะความหวงของ ด้วยการพันยังไงเอ่ยด้วยการรู้จักให้เผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยชัยชนะอย่างแรกนะขั้นต้นเลยอันนี้ง่ายใช่ไหมให้เผื่อแผ่แบ่งปันในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้วัตถุเท่าของหรือเงินทองไม่ใช่ให้ได้หลายอย่างให้อย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็ให้วัตถุให้อย่างที่สองคือให้อะไรเอ่ย ให้วาจาที่อ่อนหวานไม่พูดเบียดเบียนกระทบกระเทียบเขาแต่พูดกับเขาด้วยความเมตตาปรารถนาดีนี่คือการให้อย่างหนึ่งและให้คำปรึกษาให้คำปลอบโยนให้กำลังใจนะอันนี้ก็ถือเป็นชัยชนะใช่ไหมจะเป็นผู้แพ้นะถ้าผู้แพ้เป็นยังไงเข้ามากระทบกลวดดุด่าเลยนี่ผู้แพ้แล้วใช่ไหมใช่อะไรจะเผู้แพ้เห็นตุกอยากได้ ขโมยของเขานี่ผู้แพ้นะนี่คือผู้แพ้แพ้กิเลสในใจไปเถียงเขาเอาชนะเขาได้เนี่ยคือผู้แพ้นะไม่ใช่ชนะเอาจริงไม่จริงไปด่า ก, กับเขาเนี่ยแม้ด่าจนกระทั่งเขาอายเขาร้องไห้เขาไม่กล้าตอบโต้เราเขาหนีเราไปได้นะถ้าคนพานบอกว่านั่นคือชัยชนะแต่ถามว่านั่นคือชัยชนะหรือเปล่าไม่ใช่นะแพ้คือแพ้กิเลสในใจตัวเอง ตัวเองก็ทำตัวเองให้สามลงบาจานั่นก็เป็นบาจาร์ที่สามก่อให้เกิดอะไรเอ่ยความเจ็บช้า น, น้ำใจต่อผู้อื่นนั่นคือผู้แพ้นะและศัตรูจะเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้ที่ชนะได้อย่างแท้จริงคืออย่างไรเข้ามาด่าอดทนฟังได้บอกอธิบายให้ฟังแม้ผิดจะเล็กน้อยหรื อ, อยังไงก็พร้อมที่จะขอโทษ ช่วยประสานน้ำใจทําให้ความโกรธของเขาหายไปกลายเป็นความรู้สึกดีและเป็นเพื่อนกันนี่ชัยชนะเข้าใจนะเอานะอันนี้ได้ไหมได้นะเอ้าชนะให้ขึ้นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นให้ด้วยกําลังแรงกายต่อทุกๆคนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของท่านให้ด้วยกําลังแรงกายช่วยเหลือเขาด้วยกำลังแรงกายให้ดีขึ้นไปมากกว่านั้นให้ใจ คือถ้ามีอะไรมากระทบรู้จักให้อภัยใช่ไมใช่มีสิ่งเข้ามาลอกเข้ามายุยยวนรู้จักวางได้ไม่ใช่เพ่งเรงอยากจะเอาอย่างเดียวอยากจะได้อย่างเดียวเท่านั้นพร้อมที่จะให้อภัยและพร้อมที่จะให้หริสระสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจนะเอาอันนี้ถือเป็นชื้ชนะเบื้องต้นกาจัดความตรนิญที่เหนียวในทรัพสมบัติ บีมากขึ้นไปกว่านั้นรู้จักให้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือพอไหวไหมอ้าวนะเพราะฉะนั้นพุทธชเวนตีพระพุทธเจ้ายังเอาชนะได้เราพึงเอาชนะให้ได้ชนะความตเหนี่ทีเหนียวความเห็นแก่ตัวให้ได้ด้วยการให้ด้วยการบริจาคอ้าวถือเป็นชัยชนะในขั้นแรกเอาขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ชนะชนะไอความยึดติด ข, ของนอกตัวเครไม่ให้มาชนะที่ตัวระบ้าง ชนะที่ตัวเราคือเอาชนะพฤติกรรมที่ไม่ดีงามความรู้สึกที่อยากไปเปบียดเบียนผู้อื่นเอาชนะความรู้สึกนี้ให้ได้เปล่นมาเป็นความรู้สึกที่อยากทําเพื่อเกือกูนต่อผู้อื่นไม่เบียดเปีย น, นผู้อื่นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดไม่คิดร้ายไม่ไปทําร้ายผู้อื่นแม้แต่เป็นสัพพสัต ไม่คิดลักเอาขโมยของผู้อื่นไม่คิดประพุปผิดในกามไม่คิดที่จะพูดปดพูดส่อเสียพูดเทอเจลหรือพูดทายาไม่คิดไม่ตั้งเจตนาไปในการดื่มสุรา ห, หรือของมึนเมาไอเป็นเหตุให้ขาดสติดีมากกว่านั้นมีเมตตารู้จักให้มีการมาสังวรพูดแต่คําจริงพูดด้วยท้ายคําที่อ่อนหวานชวนให้คนเกิดความสมัครสมานสามคัคคีเป็นท้ายคำที่เป็นประโยชน์ และเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดนี่เอาชนะที่ตัวของเราเอาชนะพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราด้วยการสะสมและด้วยการทําพฤติกรรมที่ดีใช้ชนะในขั้นนี้เราเรียกว่าชนะในขั้นพฤติกรรมและความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภาษาธรรมะมีชื่อเรียกว่าศีลนะ เพราะฉะนั้นทานณสีเนะี่ยโยมควรจะต้องทำให้ได้อย่างวันนี้โยมตั้งใจจะเอาชนะแล้วใช่ไหมเพราะโยมได้อรราธนาสีนะรับสีแล้วอย่าเป็นผู้แพ้นะนึกถึงพระพุทธเจ้าชัยชืมีชัยชนะเพราะฉะนั้นเราต้องชนะและอย่าชนะแค่วันนี้เอาชนะให้ได้ตลอดในทุกๆวันเลยนะเอาสูงขึ้นไปมากกว่า น, นั้นนะถ้ามีเวลาโยมควรจะต้องเอาชนะด้วย คือเอาชนะจิตใจของเราที่ไม่ดีเอาชนะจิตใจของเราที่ไม่ดีก็ด้วยการตั้งเจตนาและน้อมเลื่อถึงสิ่งที่ดีๆเอาไว้โดยปกติแล้วเรามักจะแพ้ตรงเนี้คือแพ้ใจตัวเองแพ้ความเคยชินของตัวเองคอยสังเกตกันแล้วกันพอเจอหน้ากันนั่งเล่นจะคุยจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องดินท้าเรื่องคนรองเรื่องของนี้นั่นแหละแพ้กิเลสเปลียนใหม่ เอาชนะใจที่ไม่ดีนั้นด้วยจิตใจที่ดีงามอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําพอจะนึกถึงเรื่องที่จะคุยเรานึกถึงอะไรนึกถึงเรื่องดีงามขึ้นมาก่อนเอาเรื่องที่ดีงามนั้นมานั่งนึกนั่งคิดมานั่งคุยมีไหมเรื่องที่ดีงามเอายกตัวอย่างให้ได้หอย่างให้นึกบ่อยๆเดี๋ยวจะได้มีชัยชนะหนึ่ง ให้ยมนึกถึงพระคุณของพระสมาสัมพุทธเจ้าเอาสิ่งที่ดีงามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประพฤติปฏิบัติท่านได้ยังประโยชน์แก่ชาวโลกแก่สรรพสัตว์มานั่งนึกมานั่งคุยดีกว่าคุยเสร็จแล้วก็นึกชื่นชมในพระคุณของพระพุทธเจ้าชื่นชมในพระปัญญาที่คุณในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์เอาเรื่องพวกนี้มานั่งนึกนั่งคุยดีกว่าพอนึกได้นึกได้คุยจิตใจเป็นยังไง มันก็ปอรงองโปรงผองใสอิ่มใจขึ้นมาเป็นพุท ธ, ธานุสติประการที่สองเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าด้านได้ทรงแสดงไว้มานั่งนึกท่านสอนไม่ว่าอย่างไรท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างไรอ๋อถ้าทำอย่างนี้แล้วผลดีจะเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้ตามเหตุตาปัจจัยนี่ให้ทานอย่างนี้แล้วย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นไปที่ไหนก็ย่อมคงอาจรักษาศีลไปที่ไหนก็ย่อมคงอาจ นะนึกขึ้นมาก็จิตมีปิตินะฝึกพัฒนาจิตจิตใจย่อมผ่องใสทนต่อสิ่งกระทบได้ฝึกพัฒนาปัญญาย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าเราทําได้ม่นจะเป็นสิ่งที่ดีมากเราเอาเรื่องพวกนี้มานั่งนึกนั่งคิดเอามานั่งปฏิบัติพอเรานั่งนึกในสิ่งที่ดีคือในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อทําแล้วผลดีก็จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเราแ ล, และต่อสังคมโดยส่วนรวมใจเราก็จะเกิดความปิติอิม่มเ อ, อิบปราบรื้นผ่องใสเป็นธรรมานุสติ เอาเรื่องพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะยิ่งสุดไกลตัวเรื่องพระธรรมก็โอโหเป็นนามธรรมาจังเอาเรื่องบุคคลก็ได้ผู้ที่ปวชเป็นพระพิสุสงฆ์และท่านเป็นพุทธีปฏิบัติชอบเราเอาสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นเนี่ยว่าท่านเป็นพุทธีปฏิบัติชอบอย่างไรนะท่านเหล่านั้นพระพิสุสงฆ์ตั้งแต่แตสลายพุทธการสืบทอดมาถึงกับมาถึงเราในปัจจุบันนึกถึงคุณงามความดีของสงฆ์ สงในที่นี้หมายถึงพระเยบุคพลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะเอาคุณงามความดีของท่านเหล่านี้มานั่งนึกนะมีภาษารีบุตรก็ได้พระโมคคลานะประวัติความเป็นมาของของท่านเหล่านี้ก็ได้นะหรือพระอนอนเทเถระพระมาหากาสัส ป, ปะนะหรือพระมหากัจยานะก็ได้นะโยมเอามานั่งนึกถึงพระคุณคุณงามความดีที่ท่านเหล่านั้นได้ทํานึกขึ้นมาจิตเราจะเกิดความปลอบปริ่มผ่องใสเป็น สังคานุสติบางคนบอกอย่างนั้นไกลตัวไปงั้นใกลต้กลตัวเข้ามาเอาตัวโยมก็แล้วกันปารากฏที่ตัวของโยมเองมีเวลาว่างนึกถึงการให้การบริจาค ก, การช่วยเหลือและคุณงามความดีที่เราได้ทำให้แก่ผู้อื่นว่าเราได้ทำคุณงามความดีอะไรบ้างได้ให้ได้ช่วยเหลือใครบ้าง นึกถึงตอนที่ทํานึกขึนมาแล้วก็อิม่มปลับปลื้มภูมิใจในความดีงามในความเสียสละในการให้ในการช่วยเหลือที่เราได้ทําให้กับผู้อื่นอย่างท่านที่เป็นคุณหมอก็นึกถึงว่าเราได้ช่วยคนไข้ให้พ้นจากความทุกข์พยาบาลก็นึกว่าเราได้ช่วยพยาบาลเขาให้พ้นจากความทุกข์นะหรือโยมเป็นพ่อเป็นแม่ได้ให้กับลูกให้ความรู้กับลูกโอดีและเราทาปฏิบัติตัวในฐานะที่เป็นพ่อแม่ได้ให้แก่ผู้อื่นหรือให้แก่บุคคลอื่นๆก็ได้ รู้ไหมแต่กระทั่งเราไปทําบุญทํากุศลมาเอาเรื่องเหล่านั้นมานั่งนึกนึกถึงความเสียสละที่เราได้ทําจิตใจก็จะอิ่มเอิบปรับเพิ่มผ่องใสนี่เอาชนะกิเลส ข, ขั้นกลางได้เราเรียกว่าจากานุสติหรือนึกถึงพฤติกรรมที่ดีงามที่เราได้รักษาศีลที่เราได้รักษาได้ดีแล้วมีความภาคภูมิใจปรับเพิ่มอิ่มเอิบเป็นศีลานุสติ บางคนบอกไมื่อถึงตัวเองมาถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นเอาบุคคลที่ท่านทําคุณงามความดีเป็นผู้ที่มีศรัทธามีการให้ทานมีศรัทธามีรักษาศีลเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีงา ม, มามากเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นผู้ที่มีปัญญาบุคคลผู้ทําเช่นนี้แล้วเขาได้รับผลดี คนดีเมื่อตายไปเขาย่อมไปเกิดบนสวรรค์แม้อยู่บนโลกมนุษย์เขาย่อมได้รับการยกย่องนึกถึงคนที่ทําคุณงามความดีนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเหล่านั้นได้ทําเอายกตัวอย่างนะอย่างมาศิราชนะตอนนี้มีใครประทับอยู่ที่นี่เอ่ยนะเพราะฉะนั้นโยมนําท่านมานั่งนึกนึกถึงสิ่งที่ท่านได้เสียสละทําให้กับประชาชนประเทศชาติบ้านเมือง เราโยมนั่งนึกเอาเรื่องเหล่านี้มานั่งคุยจิตใจโ ย, ยมเป็นยังไงเอ่ยแน่มันอิ่มใจใช่ไหมมันผ่องใสขึ้นมาเนี่ยภาษาธรรมะนะก่าบอกเป็นการฝึกกรรมฐานอย่างเด่นเลยเราเรียกว่าเทว า, านุสติคือนึกถึงคุณงามความดีที่ทำให้คนไปเกิดเป็นเทวดาพอกอย่างนี้ยากไหมไม่ยากนะ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใจมันหลงไปกับหนังกับกับละครกับเรื่องคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนั่นคือผู้แพ้เราจะเป็นผู้ชนะนะพุทธชยันตีนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะเป็นผู้ชนะดีขึ้นไปมากกว่านั้นเอาชนะให้มากไดมก้มากกว่านั้นก็คือเอาชนะจิตใจที่ฟุ้งซ่านที่สัดสายด้วยการมีเวลาในการฝึกสมาธิเจริญจิตตภาวนานี่เรียกว่าชัยชนะในขั้นกลาง แล้สิ่งเศร้าหมองเนี่ยมันจะเอามันจะเกิดขึ้นในจิตใจของโยมไม่ได้จิตมันก็จะอยู่กับความผ่องใสปลอดโปร่งตั้งมัน่นครันี้อย่าหยุดเพียงแค่นี้ทำขั้นนี้ได้หมายถึงใช้ชนะในขั้นสูงใช้ชนะในขั้นสูงก็คือการที่เรายกเอาองค์ประกอบของชีวิตขึ้นมาพิจารณาตามหลักวิปัสสนาเพื่อลักิเลสให้หมดสิ้นจากจิตใจของเรา อันนี้คือรับ ก, กิเลสได้หมดสิ้นเลย ช, ยชัยชนะในขั้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าโยมบอกรู้สึกว่าชัยชยนะในขั้นสูงยังไปไม่ถึงอย่างน้อยในขั้นต้นในขั้นกลางต้องทาให้ได้ใครมีชัยชนะในขั้นต้นก็คือให้บริจาคได้รักษาศีลได้มีชัยชนะในขั้นกลางคือจิตใจตั้งอยู่ในความดีงามสงบตั้งมั่นได้ในทางพุทธศาสนาจะถือว่า ท่านนั้นเป็นบัณดิตแล้วนะเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นบัณดิตแล้วมีความรู้อย่างถ่องแท้และทำได้จริงนะเพราะฉะนั้นตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะเป็นบัณดิตเราจะเป็นผู้มีชัยชนะเหมือนดังที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมีชัยชนะในวันวิสาขบูชานะนี่ครบรอบที่สิบกศตวรรษก็ตั้งต้นจากตรงนี้เลยนะคงไม่ยากเกินไปใช่ไหม นะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครบวอบผู้ทธชฉันตีนับตามแบบของคนไทยนะ 2,600 ปีของการที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะเหนือหมู่มาเหนือกิเลสทั้งตวงก็ขอให้น้อมนำชัยชนะของพระพุทธเจ้านั้นมาไว้ในตัวเราให้เราเป็นผู้มีชยัยและึกหัดปฏิบัติขัดเกลาาชีวิตจิตใจและปัญญาของเราเพื่อความเป็นผู้มีชยัย มีชัยเหนือกิเลสทั้งปวงนะดังนั้นเอาชนะคนอื่นได้หมื่นแสนไม่เหมือนกับเอาชนะกิเลสในใจของเราได้ผู้ที่ชนะกิเลสในใจของตนเองได้นั่นแหละคือผู้ที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้สําหรับญาติโยมในวันนี้นะเมื่อ น, นึกถึงพุทธชันติก็ขอให้โยมเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะในที่ทุกสถานนะ เพราะฉะนั้นปฏิบัติซึ่งทานศีลและภาวนาให้มากๆนย่อมจะเป็นผู้มีชัยในที่ทุกสถานจะเป็นผู้ที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ไปที่ไหนจะเป็นผู้มีชัยอย่างแท้จริงนะสำหรับในวันนี้เท่าที่อาตมาได้สแสดงธรรมมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะก็หวังว่าย่มคงจะได้เป็นอนุสติเป็นคติเมื่อะระลึกนึกถึงการตัดสรุป ข, ของพระสมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเราได้ลึกนึกถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าน้อมชัยชนะเหล่านั้นมาไว้ในใจของเรามาไว้ในพฤติกรรมของเรามาไว้ในปัญญาของเราในการดาเนินชีวิตอาตมาในานามขอพระสงค์ขอขอตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรย <c oughs> ัยอวยพายอวยให้พรให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบด้วยจตุรพิษ้พรชยัย มีอายุวันนักสุขะภลปฏิพานท่านาสาสมบัติประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิตในการประกอบกิจหน้าที่การงานในการศึกษาตลอดจนเป็นผู้มีชัยต่อกิเรททั้งหลายทั้งปวงสามารถถูกพัฒนาชีวิตจิตใจและปัญญาจนกระทั่งบรรลุถึงฝั่งแห่งความนิพพานได้ทั่วนทั่วทุกคน และมีความอยู่ลำเย็นเป็นสุขในศาสนาขององค์สมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าท่วนทั่วทุกคนตลอดกาลรรนานเทิน